วันนี้ก็ได้พูดไปนะว่าคนเรามีหน้าที่รักษากายรักษาใจไม่ให้ทุกข์อาการหนาวแบบนี้เนี่ยนะก็จะมวัวแต่รักษากายอย่างเดียวน ะ, ะต้องรักษาใจด้วยส่วนใหญ่นี่รักษาแต่กายก็คือหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะมาปกป้องความหนาวแต่ว่า ปล่อยใจให้ไล่สิ่งปกป้องใจก็ ต, ตั้งที่มีเครื่องนุ่งห่มมากมายก็ยังรู้สึกหนาวพอหนาวนี่ใจปเป็นยังไงใจมันบนใจมันตีโพยตีภายใจมันรู้สึกไม่ชอบ รู้สึกชังกับสภาพที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอาการหนาแบบนี้เนี่ยอย่าให้จะปล่อยใจให้ไรเครื่องปกป้องนะสตินี่แหละนะเป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องรักษาใจนะที่ดีมากเวลาใจมันบนโวยวายตีโพยตีพายก็ให้รู้ทันนะรู้ทันอาการของใจที่มันกระเพื่อม พอตัวนี้แหละนะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ยิ่งกว่าความหนาวที่มาสัมผัสกายเราเสอีกนะอาการหนาวแบบนี้เนะี่ยเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้ฝึกการเจริญสติเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วนะว่าอาการเจริญสติมันก็มีหลักอยู่2ออย่างนะก็คือรู้กายแล้วก็รู้ใจรู้กายก็หมายความว่าเวลา เวลากายทำอะไรเนี่ยใจยก็รู้สึกหรือวใจก็รับรู้ไม่ใช่ว่ากายทำอย่างหนึ่งใจไปทำอีกอย่างหนึ่งระหว่างที่เดินกายเดินไปใจก็คิดโนอนคิดนี่นะอันนี้เรียกว่าการรู้ตัวนะการรู้ใจว่าอาการรู้กายว่าทำอะไรเนี่ยมันก็บกพร่องขาดหายไป เดินก็ไม่รู้ว่าเดินนะยกมือก็ไม่รู้ว่ายกมือเพราะมันไม่มีความรู้สึกว่ามือกําลังยกอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัวไม่รู้กายนะกายทําอะไรนะใจก็รับรู้หรือใจก็รู้สึกขณะเดียวกันเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นนะเช่นอากาศหนาวนะที่มากระทบกาย ก็ให้รู้ด้วยว่าใจมันรู้สึกอย่างไรใจมันกระเพื่อมใจมันรู้สึกชังไม่ชอบเหรือบนติโพยตีพา ย, พ ย, พยอยู่หรือเปล่าข้างในเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นนะเมื่อจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงนะหรือว่าอาการหนาวหนาแบบเนี้ยนะมันกระทบกายมันยังไม่ทุกข์นะ อย่างน้อยก็ยังไม่ทุกใจจนกวาใจนี่แหละจะบนโวยวายตีพยตีพยตายขึ้นมาให้รู้ทันผัสสะหรือว่ารู้ทันใจรู้เท่าทันอาการของใจเมื่อเกิดผัสสะขึ้นอันนี้เรียกว่ารู้ใจนะรู้กายนะเมื่อเคลื่อนไหวรู้ใจเมื่อมันคิดนึกหรือว่ามันปรุงแต่งโดยเพราะการปรุงแต่งฝ่ายลบซึ่งเป็นที่มาของ ความทุกข์ใจันถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเรานะมีหลักในการรักษากายรักษาใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปให้ความสำคัญกับการรักษากายมากไปถึงขั้นปลดเปลอกายให้มันสะดวกสบายแต่ก็ปล่อยใจให้อ้างวางโดดเดี่ยวนะไม่มีที่พึ่ง ไม่มีสิ่งใดจะมาคอยช่วยปกป้องรักษาให้ปลอดพ้นจากอันตรายได้อารมณ์ที่ปรุงแต่งนั่นแหละนะที่มันทำร้ายบีบคั้นจิตใจเราใช้โอกาสอย่างนี้แหละโอกาสที่มันน่าห น, น, น้าไปนิดละนะเป็นเป็นโอกาสในการนะฝึกใจของเราคนเราเนี่ยเมื่อมีสิ่งมากระทบนะ หรือว่าเกิดอนิฐารมขึ้นอ น, นิถารมก็คือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจนะยกตัวอย่างง่ายๆคือเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าถูกตำหนิติดเตียนหรือว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือนะรักษาใจไม่ให้ทุกข์และประการที่สองคือรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์นะอันนี้เป็นเป็นวิสัยของนักปฏิบัตินะ ก็คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะอันนี้เรียกว่าเสมอตัวถ้าทำยิ่งกว่านั้นก็คือทําให้เกิดกําไรขึ้นมากับชีวิตกับจิตใจนั่นะคือหาประโยชน์จากมันหรือใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างเราใช้ความหนาวเนี่ยนะให้เกิดประโยชน์ในการเจริญสติถ้าเอาแต่ทุกข์นะเอาแต่ไม่พอใจนะอันนี้เรียกว่า ขาดทุนนะไหนๆจะทุกพราะความหนาวแล้วเนี่ยก็อย่าทุกฟรีๆนะได้ประโยชน์จากมันบ้างนะนั่นคือการเจริญสตินั่นแหละประโยชน์จากความหนาวก็ได้หลายอย่างนะเช่นฝึกความอดทนนะอันนี้เราฝึกขันติแต่ว่าอย่าอย่าฝึกแต่แค่ขันตินะพราะมงคลก็อดทนแบบเรียกว่ากัดฟันนะ มันยังมีความทุกข์อยู่นะแต่ว่าถ้าเราลองใช้โอกาสนี้ะเจริญสตินะมาดูใจซนะิว่าใจมันเป็นยังไงเมื่อความหนามมากระทบกายนะใจมันเป็นอย่างไ ร, นะ จ, งไรนะจะปล่อยใจให้เป็นทุกข์โดยที่เราไม่ไปรับรู้การที่เรารับรู้เนี่ยถ้าเรารู้เป็นเนี่ยก็คือเห็นมันนะเห็นมันหรือว่ารู้สื่อ อันนี้จะช่วยได้มากเลยเห็นว่าใจมันบ น, ใ จ, น, บนใจมันวัวายตีโพธิ์ตีปลายก็เห็นมันเห็นความทุกข์ที่เกิดกับใจก็เห็นมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันจะได้เห็นเนี่ยก็จะสังเกตนะว่าใจเรานี่มันก็แปลกนะทั้งทั้งที่หนาวนี่ไม่ชอบแต่ก็ไปจดจ่ออยู่ตรงที่มันหนาวไอ้ส่วนที่ไม่หนาวนี่ไม่สนใจไม่ใส่ใจ ไปใส่ใจกับตรงที่มันหนาวไม่ว่าที่ใบหน้าที่มือที่แขนในเมื่อเราไม่ชอบความหนาวแต่ทําไมชอบไปจดจอ่อหรือว่าปักตึงอยู่ตรงนั้นในทํานองเดียวกันนะเวลาปวดเวลาเมือ่อยปวดเมือ่อยหรือเจ็บเนี่ยปวดตรงไหนเมือ่อยตรงไหนใจมก็ไปจดจ่ออยู่นั่นแหละไอ้ส่วนที่ไม่ปวดไม่เมือ่อยไม่สนใจ ไอ้ส่วนที่สบายๆผ่อนคลายไม่สนใจไปสนใจแอีส่วนว น, วนี้มันปวดมันเมื่อยไม่ว่จะเป็นที่ขาที่เท้าตรงไหนที่มันเจ็บนะเจ็บเท้านะบางทีเจ็บข้างในเนี่ยมันก็ไปจดจ่อยตรงนั้นแหละทั้งที่ยิ่งจดจ่อยยิ่งรู้สึกเจ็บแล้วพอเจ็บละใจก็บน่นใจก็โวยวายอดครวนรู้ทั้งรู้นะก็ ยังไปจดใจตรงนั้นแหละจริงจะว่ารู้ก็ไม่เชิงนะเพราะตะนนั้นมันไม่รู้แล้วละ่ะมันเป็นแล้วรู้กับเป็นนี่ไม่เหมือนกันนะรู้ทุกกับเป็นทุกนี่ก็ต่างกันรู้ว่าปวดกับเป็นผู้ปวดนี่ก็ต่างกันรู้ว่าโกรธกับเป็นผู้โกรธนี่ก็ต่างกันนะทั้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะมันเข้าไปเป็นมากกว่าาการเข้าไปเป็นนี่ก็เป็นการยึดติดอีกแบบหนึ่งนะ ทั้งที่ไม่ชอบทั้งที่ชงังทั้งที่อยากจะผักใสแต่ก็เผลอปล่อยใจเข้าไปยึดติดมันน่ายึดที่ไหนนะให้ความปวดความเมื่อยความหนาวคนเราเนี่ยไม่ได้ยึดแค่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเท่านั้นนะเช่นความนุ่มความเย็นสบายหรือว่าอาหารที่อะไรนะความไพเราะของเสียงเพลงรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคนรัก ให้สิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราแล้วก็ยึดนะยึดเอาไว้นึกถึงอยู่เรื่อยๆนึกถึงอยู่บ่อยๆแต่เราไม่ได้เฉพาะยึดติดแต่สิ่งที่ให้ความสุขกับเรานะให้สิ่งที่ทําความรู้ให้กับเราเราก็ดันไปยึดติดกับมันได้ไปจดจ่อไ้ ป, ปักตึงกับมันเนี่ยสังเกตใจของเราเนี่ยเป็นอยงานหรือเปล่านะเวลาอาการหนาวๆเนี่ย ใจมันไปอยู่ที่ไหนนะยิ่งหนาเท่าไรใจมันก็ยิ่งไปอยู่กับส่วนที่หนาวส่วนที่สัมผัสกับความหนาวนัมันก็โบนวยวายก็เพียงแต่เนะย้ายนะความสนใจของจิตเนี่ยมาอยู่กับส่วนที่มันอุ่นนะก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ไม่ยอมมันก็จะไปจดจ่อยงั้นแหล ะ, วล ะ, ลวละเวลาปวดเวลาเมื่อยก็เหมือนกันนะในส่วนที่สบายส่วนที่ผ่อนคลายก็มีเยอะแยะไม่สนใจ ไปสนใจแต่ตรงที่มันปวดที่มันเมื่อยเรามีอะไรมากมายนะที่ดีๆก็แทนที่จะจดจ่อใส่ใจนะก็กลับไปจดจอกับสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เสียไปเงินหายไปร้อยหายไปพันหรือไม่ได้หายเป็นหมื่นคนเทียบไม่ได้กับเงินที่เรามีอยู่เยอะแๆนะในธนาคารในกระเป๋าในบ้านแต่คนส่วนใหญ่ก็จดจ อ, อยแต่ไอ้เงินที่หายนั่นแหละ ให้เงินที่มีเยอะแยะนะเป็นมากกว่าเงินที่หายเป็นร้อยเป็นพันเท่ากลับไม่สนใจเสร็จ แ, แล้วก็มาเสียใจอาไยอาวอนอันนี้เลยว่าเป็นเพราะไม่ไม่รู้จักรักษาใจนะปล่อยให้ใจมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําความทุกข์กับเราทั้งที่ไม่ชอบนะทั้งที่อยากจะผลักไสนะแต่ยิ่งผลักไส ย, นะยิ่งยึดติดนะ ยิ่งไม่ชอบความด่าก็ยิ่งจดจ่ออยู่กับมันคนที่ด่าเรานะเราไม่ชอบคมพูดของเขาเราไม่ชอบการกระทำของเขาแต่ยิ่งพยายามผลักมันออกไปจากใจก็ยิ่งคิดถึงมันนะคิดถึงถ้อยคำคิดถึงการกระทำจริงๆไม่ต้องทำอะไรนะแค่ดูมันเฉยๆนะแค่รู้ว่านะใจมันใจมันมีอาการอย่างนั้นการรู้เฉยๆเนี่ย นะมันช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่เผลอเข้าไปเป็นเนะพราะถ้าไม่รู้เฉยๆพยายาก็ไปผลักดันผลักใสมีความโกรธเกิดขึ้นก็ อ, อย่าไปกดข่มความโกรธนะให้ความโกรธก็ยิ่งครองใจมากขึ้นเหมือนกับว่าแทนที่จะมีกองไฟแทนะที่จะดับมันด้วยน้ำนะก็กลับโยนน้ามันราดน้ามันใส่มันนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะนะ อยากจะดับความโกรธนะแต่ว่าทําไม่เป็นมันก็เหมือนกับโยนน้ํามันร่อนน้ามันสายเข้าไปในกล่องไฟเันก็ลุกพลึกนะหรืออา จ, จะสาดน้าตัวในนาเนี่ยมันมีน้ามันเจือปนอยู่มันก็ไม่ยอมดับง่ายๆนะกับกระพือหนักเข้าไปอีกแค่รู้ทันเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะคนมีคนเคยมีคนทานลูกปู ด, ดุล น, นะอตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกแรกของลูกปู่มัน ถามว่าทำไจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่จะตัดความโกรธให้ขาดได้อย่างไรท่านตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันมันก็ดับไปเองเมื่อรู้ทันนะมันก็ดับไปก็คือรู้เฉยๆนะไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับมันส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เฉยๆจะเข้าไปจะไปกดไปขม่มไปตัดนะไปเล่นงานมัน ยิ่งทำอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็เท่ากับยิ่งยึดติดหนักขึ้นแล้วก็โดนความกลดวมาเล่นงานรักษาใจของเราดีนะเพียงแค่การรักษาใจก็ทาเพียงแค่ว่ามีสติรู้ทันอาการที่เกิดขึ้นกับใจนะไม่ว่าจะบวกหรือลบไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็รู้ทันและนี่แหละเป็นโอกาสแบบนี้แหละเป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกนะฝึกรู้ฝึกรู้ทัน เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์เพราะความร้อนทุกข์เพราะความหนาวมันเป็นแบบฝึกหัดอย่างดีนักหลวงพ่อมเขียนท่านก็พูดอยู่เสมอนะวัตนักภาวนานี่ต้องเป็นนักฉวยโอกาสฉวยโอกาสอย่างตอนนี้ก็ต้องฉวยโอกาสนะในการใช้ความหนาวเป็นประโยชน์ใช้ความหนาวเป็นแบบฝึกหัดว่า เ, ออเราจะรู้กายรู้ใจได้อย่างไร ไอ้เวลาสบายๆเนี่ยอาจจะรู้ใจอาจจะรู้ใจได้ได้ได้ไม่ค่อยชัดนะแต่เวลาพอมีอะไรมากระทบด้วยเพราะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เผ็ดแสบร้อนหนาวตรงนี้แหละมันจะกระตุ้นนะให้เกิดคนะวามไม่พอใจขึ้นมากระตุ้นกิเลสให้โผลขึ้นมากระตุ้นมานณ์ตัวตนให้โผลขึ้นมา อ่าเช่นเวลาถูกด่าเนี่ยนี่ยไอตัวที่โผล่มาตัวแรกแรกเนี่ยก็คือความก็คือมานะนี่แหละอ่หรืออัตตาเนี่ยซึ่งนําไปสู่ความโกรธนะพอเอามานะหรือเอาอัตตาเนี่ยรับคําด่ามันก็ยิ่งโกรธนะก็ยิ่งเป็นทุกข์เราก็ยังไม่ทันนะไม่ไม่ทันเห็นเราก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญยิ่งปรุงแต่งเข้าไปใหญ่ฝึกใจให้ให้เห็นมันนะรู้ทันมันไว แล้วการการภาวนาของของพวกเราเนี่ยนอย่าทิ้งสองอย่างนะคือว่าเวลากายทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวไปด้วยนะเวลากายทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวหรือรู้สึกนะแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกในนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเวทนานะมันหมายถึงว่ารู้สึกว่ากายทําอะไรเช่นเวลาเรายกมือเนี่ยมันก็รู้สึกว่มือยกนะเวลาเราเดินมันก็รู้สึกว่า เท้ากาลังขยับตัวกําลังเคลื่อนเนี่ยอันนี้เรารู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าเท้าไปเหยียบกรวดนะมันก็รู้สึกแบบนะั้นคือรู้สึกเจ็บมันเป็นคนละ อ, อย่างกันนะรู้สึกเจ็บนี่มันภาษาฝรั่งเรียก feeling นะ pain แต่รู้สึกว่ามือกําลังเคลื่อนเท้ากําลังเดินนี่มันภาษาฝรั่งคำว่า sensation แต่ว่าภาษาไทยเราก็เกรียกลมๆกันไปว่ารู้สึกรู้สึกแต่ว่ามันเป็นรู้สึกคนละแบบเวลากายทําอะไรนะ ใจก็รู้สึกนะก็คือรู้ว่ารู้สึกว่ากายกาลังเคลื่อนเท้ากาลังขยับแต่ไม่ต้องถึงกับไปเพ่งที่เท้าหรือไปเพ่งที่มือนะถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่มันก็รู้สึกนะทุกอย่างเวลากายทำอะไรแม้กระทั่งการกระทําที่ละเอียดนะเช่นการหายใจเกลือน้าลายหรือว่ากระพริบตา ถ้าใจอยู่กันเดวกับตัวนะใจไม่ฟุ้งไม่ไ ม, ไม่ไม่ลอยนะกายทําอะไรใจมันก็รู้สึกค่เดียวกันเวลามีอะไรมากระทบนะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจนะก็รู้ทันนะว่าใจเนี่ยมันมีอาการกิริยาอย่างไรนะอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกนะแต่ส่วนใหญ่พอมีอะไรมากระทบเนี่ย ไม่ว่ากระทบตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีเนี่ยใจมันส่งออกนอกทันทีเลยเสร็จแล้วก็ปรุงแต่งนะโกรธไม่พอใจเศร้าใจเสียใจวิตกกังวลส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นให้เราอย่าลืมเนี่ยอย่าทิ้งหลักนะนะอะไรอะไรมากระทบกายก็ตามก็ให้รู้ใจ อย่าลืมนะว่าใจมันกำลังทำอะไรอยู่มีเกรดประวัตินะเล็กๆนะเกี่ยวกับท่านเว้ยหลางนะท่านเว้ยหลางนี่ท่านเป็นสังฆปรินายกองที่หของรัติชาญก็คือที่มางรัติเซนในญี่ปุ่นเนี่ยรำว่ารัติก็เกเปลี่ยนกันนิกายนะมีคารหนึ่งท่านดันด้นนะหนีภัยไปถึงเมือง กวางโจไปที่วัดวัดหนึ่งนะวัดกวงเซี่ยวกำลังมีการบรรยายธรรมโดยอาจารย์ชื่อดังคนก็ไปฟังกันเยอะจนล้นออกมาจากศาลาร่วงที่อาจารย์บรรยายธรรมอยู่นี่ก็มีคนหนึ่งสังเกตเห็นธงนะมันพลิ้วอยู่ข้างนอกก็พูดว่าเอยธงไหว อีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยบอกว่าลมไหวต่างหากก็เถียงกันเถียงไปเถียงมาก็มีคนมาร่วมเถียงด้วยเลยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งว่าธงไหวกลุ่มหนึ่งว่าลมมันไหวเถียงกันไม่ลงแล้วยิ่งเถียงก็ยิ่งไม่พอใจนะต่างฝ่ายต่างงัดเอาเหตุผลมาอธิบายมาโต้แยง้งก็ยิ่งนะเเะเกิดความเริ่มจกเกิดความแตกแยกขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมา จยจูจ่ๆท่านไวรหลางเนี่ยนะก็พูดขึ้นมาวันเนี่ยลมาาอ่ใจท่านเอาไว้ตังหกักใจท่านเอาไว้ตั้งหักพอพูดพอเต้นเช่นนี้เนี่ยสองกลุ่มนั้นก็ได้สติขึ้นมาเลยเพราะว่าไอตอนที่กําลังโต้เถียงกันเนี่ยนะจิตมันไปอยู่กับนไอทงหรือว่าลมแล้วแล้วก็ไม่รู้นะว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ว่าใจนี่กําลังโกรธใจกําลังโมโห ไปสนใจแต่ธงนะแต่ลืมดูแจของตัวเองอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะเวลาตาเวลาตาเห็นธงเนี่ยนะก็อย่าลืมนะมีสติเห็นใจด้วยว่ามันเป็นอย่างไรเวลาเราเดินนะเวลาเดินตรงกรมบางทีเท้าอาจจะไปเหยียบกรวดเหยียบหินนะตอนที่เท้าเนี่ยสัมผัสกับกรวดเนี่ยนะก็อย่าลืมนะ มีสติเห็นใจด้วยว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรมีความไม่พอใจนะหรือเปล่าเพราะว่าพอเท้าเหยียบกรวดนะเกิดเวทนาขึ้นนะคือความเจ็บถ้าส่วนใหญ่จิตมันก็ไปเพ่งอยู่ที่ความเจ็บตรงบริเวณที่สัมผัสกับกรวดหรือหินนั่นแหละแล้วยิ่งรู้สึกเป็นทุกข์มากก็ไปใหญ่ละใจก็เกิดโทสะขึ้นมา อันนี้เรียกว่าการกระทบเกิดขึ้นแล้วนะผัสสะเกิดขึ้นแล้วต้องกลับมารู้ทันใจว่ามันมีปฏิกิริยาไงกับภัสสะที่เกิดขึ้นจะปล่อยให้ใจมันส่งออกนอกแล้วไม่งั้นมันก็ไปยึดติด ก, กับความกับความเจ็บความปวดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของใจจริงๆก็เหมือนกับตอนนี้หลายคนเนี่ยไม่ใช่แค่หนาวกายหนาวใจด้วยนะไม่ใช่แค่ทุกข์กายทุกข์ใจด้วยจริงอากาศหนาวนี่มันก็ทําให้แค่กายทุกข์นะ แต่ว่าใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้เมื่อความปวดความเมื่อยเนี่ยมันก็เพียงแค่มาบีบคั้นกายนะให้ปวดให้ให้เป็นทุกข์นะแต่ถ้าใจเผลอเมื่มอไหร่ก็ไปไปแบกไปยึดเอาความปวดของกายนะความเมื่อยของขาของเท้าเนี่ยมาเป็นความปวดของใจมาเป็นความทุกข์ของใจนะเรีวยกว่าไปเพิ่มไปเติมไปซ้ํำนะ ความทุกข์ให้มากขึ้นอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะให้เพอเดินเดินเหยียบกลวดนี่กนะ็เจ็บนี่ก็เรียกว่าพอแรงแล้วนะก็ยังไปซ้ำเติมใจของตัวให้ทุกข์มากขึ้นเงินหายนะแทนที่จะหายแต่เงินนะก็ไปให้ใจหายก็คือเสียใจอะไรอาวรณ์บางคนเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ อันนี้เรียกว่าเสียสุขภาพแล้วบางคนเสียใจจนทํางานไม่ได้ไม่มีสมาธิงานก็เสียอีกแล้วพองุดหงิ ด, งดอารมณ์ไม่ดีเพื่อนมาหยอกเพื่อนมาเย้าก็ด่าเพื่อนกลายเป็นเสียเพื่อนกับอีกในเสียเงินเนี่ยนะคนฉลาดเนี่ยก็เสียแต่เงินนะหรือว่าหายก็หายแต่เงินหายแต่โทรศัพท์ แต่ว่าไม่ยอมปล่อยให้ใจหายไม่ยอมปล่อยให้ใจเสียสุขภาพเสียไม่ยอมปล่อยให้งานเสียหรือว่าเสียเพื่อนกนะ็ต้องฉลาดอย่างนั้นนะอกจากไม่ไม่ยอมไม่ปล่อยให้เสียมากนะเสียแค่เงินแต่อย่างอื่นไม่เสียแล้วเนี่ยยังรู้จักหาประโยชน์จากมันด้วยวเออเสียเงินนี่มันมันบอกอะไรเรามันให้อะไรเราออมันสอนใจนะ มันเตือนใจเราว่าต่อไปต้องระมัดระวังนะนะมันเตือนให้เราอย่าประมาทนะมันและมันเตือนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะมันฝึกให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางก็จะเสียอย่างอื่นมากมายอย่างที่พูดไปมันยังสอนทํำให้กับเรานะสอนทําให้กับเราว่าของทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยง ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปตลอดสันะกวันหนึ่งนะมันก็ต้องหลุดไปจากมือเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ไปฟังคำบรรยายของอาดาราคนนึ่นะซื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมนะชื่อกิกนะมยุรินนะเ้วก็บัญญายไปแล้วก็ตอนนึงก็พูดถึงคาถาหนึ่งคาถาที่ชวนให้ ทุกคนได้ท่องเอาไว้แล้วเธอก็บอกให้ทุกคนผนมมือแล้วท่องคาถานี้นะแล้วเธอก็ว่านะสักวันมันต้องจากฉันไปนะสักวันมันต้องจากจากฉันไปไอ้คำว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นของก็ได้นะอาจจะเป็นแฟนก็ได้นะสักวันมันต้องจากฉันไปหรือถ้ายังไม่สะใจก็สักวันมันต้องจากกูไปเราลึกววาอย่างเงี้ยนะ่จริง คาถานี้มันก็คงเกิดขึ้นมาจากการที่เจอความสูญเสียพัดพราดแต่ทานที่จะเอาแต่เสียใจเสียใจก็มามาหาธรรมะจากมันถ้าหาธรรมะจากมันก็ได้ธรรม ะ, ะเสมอไปเหมือนกับคาด่าก็เหมือนกันนะคาต่อว่าด่าทอเนี่ยมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะมันเป็นธรรมะสอนใจเราเรื่องโล ก, กธรรมแปะเดี๋ยวก็มีคนชมแต่ไม่มีใครชมเราตลอดเดี๋ยวก็มีคนดา่า นะคำชมกับคำด่าเป็นของคู่กันยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะเวลาเราโพสต์ข้อความไปลงไปใน a c e b o o k เนี่ยมีคนชมเรามีคนกดไลค์เนี่ยก็ให้สังวอนะว่าไอคนที่ไม่ชอบคนนี้เกลียดนี้ก็มีไม่น้อยประอกันนะเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้หรือเพียงแต่เขาไม่แสดงออกเท่านั้นแหละความคิดอะไรคำพูดอะไรที่มีคนชมเนี่ยมันก็มีคนที่ ไม่เห็นด้วยหรือคนทีอ่อยากจะวิจารณ์อยากจะต่อว่าอันเท่าพิจารณาแบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยไม่เผล่นะไม่เผลอยินดีในคําชมในคําสรรเสริญเพราะรู้ว่าในคนที่จ้องจะ ด, ดาคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่น้อยเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่หรือเพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือแสดงออกหรือไม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นเวทีให้ค น, นแสดงความไม่พอใจไม่ชอบ ได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆหลายคนก็พยายามนะพยายามที่จะปิดหูปิดตาเพื่อได้ไม่ต้องได้ยินคําต่อว่าหรือคําวิจารณ์เช่นใครที่มาคอมเมนต์ว่าเรานะแล้วก็บล็อกมันซะเลยนะหรืออันเฟรนด์มัซะเลยก็เลยมีแต่คนที่เออห่อหมอ ก, กับเราเห็นด้วยกับเราเราก็ยิ่งหลงกข้าไปอย่ว่าเออสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราโพสตนี่มันดีนะมีคนชม ในที่จริงถ้าไม่อันเฟรนคนน้นคนนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าโอ้มีคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ไม่ชอบกับสิ่งที่เราโพสต์กับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเขียนไปไม่น้อยมันก็ดีนะมันก็สอนเราว่าเนี่ยอย่าไปอย่าไปเพลินลหลงไหลได้เปลือกคําชมเพราะว่าให้คนที่ไม่ไม่ชมไม่เปลือมนี้ก็มีอยู่อันนี้แหละโลกธรรมแปะล่ะโลกธรรมแปคือทำหรือว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนโลกหรือสิ่งที่ทําให้ ผู้คนเนี่ยไปยึดติดผูกพันกับมันแต่คนเราก็มีความสามารถที่จะเป็นอิสระจากโลกธรรมแปดได้คือไม่ยินดีนะเวลามีคนชมแล้วถ้าคนชมแล้วเราไม่ยินดีนะเวลาคนตำหนิมันก็ง่ายที่เราจะไม่ยินร้ายใครที่ปลื้มกับคำชมมันก็เสียใจโมโหโกรธเกลียดนะกับคาด่าได้เหมือนกัน ลองดูดีๆนะนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแม้มันจะเป็นอนิธารมนะมันลวนแล้วแต่สอนใจเราได้ทั้งนั้นมันสามารถสอนทำให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็หมดแต่ทุกข์นะเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นตีออกชกหัวบวนว่นวยวายตีโพยตีพายอันนี้เรียกว่าไม่รักษาใจของตัวซ้ำเติมตัวเองแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะจากสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาอยู่ในสถานการณ์ใดนะที่ทำให้เกิดความทุกข์เช่นเจอความหนาวเจอความร้อนนะหรือว่าได้อยู่กุฏิที่พักนะที่ไม่ถูกใจแทนที่จะเอาแต่บน่นตะีพวยตีภนะายก็รักษาจะให้ปกติซะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะการยอมรับเนี่ย มันช่วยทำให้ใจเราเป็นปกติได้ง่ายเพราะไม่ยอมรับพระปฏิเสธนั่นแหละใจเป็นทุกขนะ์พอเรายอมรับมันได้ก็ลองดูสิว่าเออมันเราจะหาประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะไม่ว่าเจออะไรไม่ว่ามีอะไรมากระทบนะมันล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ให้กับเราได้ทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะ ความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดนะมันก็มีประโยชน์นะนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะเวลาใจฟุ้งซ่านเวลามีความหงุดหงิดนะก็พยายามไปเล่นงานมันไปกดข่มมันจริงมันมีประโยชน์นะมันก็เป็นเครื่องอุปกรณ์สอนทำให้กับเราอีกแบบหนึ่งสอนให้เห็นว่าใจเนี่ยของเรา มันไม่ใช่ของเราเลยนะคุมไม่ได้สักอย่างใจนี่มันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะและมันก็ยังเป็นอุปกรณ์สอนการฝึกสติให้กับเราด้วยก็คือฝึกให้เรารู้ทันนะให้เรารู้ทันที่หลวงพ่อเทียนท่านไม่แนะนำให้หลับตาแล้วก็แทนที่จะนั่งนิ่งๆก็ให้ยกมือนะเดินอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อไม่ให้เราติดในความสงบมากอีก หมาความว่าเวลาทำเนี่ยมันก็จะมีความคิดฟุ้งขึ้นมามันก็จะมีอารมณ์ผุดขึ้นมาแต้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ในการฝึกในการฝึกให้สติเรารวดเร็วฉับไวเพราะว่าสติเราเนี่ยถ้าไม่มีคู่ซ้อมนะมันเหมือนกับ น, นักมวยนะีที่ไม่มีคู่ชกไม่มีคู่ซ้อมเนะี่ยนักมวยที่ไม่มีคู่ซ้อมเนี่ยจะจะเก่งนะจะแข็งแรงจะปราดเปรี่ยวได้อย่างไรจะฉลาดได้อย่างไร ผมว่าเทือนั้นเปรียบนะว่าไอความคิดหรือความฟุ่งซ่านเหล่านี้มันเหมือนกับเหมือนกับหนูนะนหนูนี่มันก็ท่านได้หนูที่หนูที่อที่คล่องแคล่วนะมันก็ฝึกแมวนะให้ให้ฉลาดพอๆกันได้แต่ใหม่ๆเนี่ยนะหนูมันต้องไม่ไม่ไม่ไม ค, คล่องแคล่วมากเกินไปนะท่านถึงให้ เวลามาจลน์สติของงดการพูดการคุยนะไม่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆงดการอ่านการเขียนเพราะมันก็ไปตุนความคิดให้ฟุ้งมากเกินไปไม่ฟุ้งเลยก็ไม่ดีนะฟุ้งมากก็ไม่ดีนะฟุ้งกลางๆนี่แหละมันเป็นเครื่องฝึกสติให้รวดเร็วปาดเปรียวอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะของความฟุ้งซ่านหรือของนิวร์ที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่มีนิวร์เลยเนี่ย นะเราจะรู้วิธีเอาชนะนิวรณ์ได้อย่างไรถ้าไม่มีนิวรณ์เลยเนี่ยเราจะรู้แจ้งในนิวรณ์ได้อย่างไรอย่าลืมวอาการรู้แจ้งในธรรมชาติของนิวรณ์เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของการรู้ธรรมการรู้ธรรมอย่างแจ้งแจ้งคือการรู้ถึงธรรมชาติของนิวรณนะ์ว่ามันเกิดจากเหตุจากปัจจัยมันไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนของมันเอง แล้วเราจะรู้จักนิวรณได้อย่างไรถ้ามันไม่เกิดขึ้นในทองเดียวกันเนี่ยเราจะพ้นทุกได้เราก็ต้องรู้จักทุกนะรู้จักทุกอย่า ง, งแจ่มแจง้งเราจะรู้จักทุกได้อย่างไรถ้าทุกไม่เกิดขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่พอทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้ทุกนะแทนที่จะเห็นทุกแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันก็จะช่วยห้ามใจไม่ให้เป็นผู้ทุกนะจะช่วยทาให้ใจเนี่ยเป็นเป็นเพียงแค่ผู้ดูนะ ผู้เห็นแล้วก็กลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็รู้ธรรมชาติของทุกข์รู้ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยไม่เคยเกิดขึ้นมาเองลอยๆมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยนั่นคือสมุทยัยและสมุทัยคือแห่งทุกข์นั่นไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่ความหนาวแต่ก็คือความยึดติดถือมัน่นหรือความความยึดถือมั่นในตัวตนหรือความหลงหรือว่าความไม่รู้ ความลืมตัวไอ้สิ่งนี่ตั้งหาคือสมุดไทยนะเหตุแห่งทุกข์ที่กำลังเกิดคือเราตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ความหนาวไม่ใช่ความปวดความเมื่อยไม่ใช่เพราะอิเลีย บ, บทที่นั่งนานๆอันนั้นมันปัจจัยรองนะปัจจัยหลักคือใจเนี่ยใจที่หวังเอาไว้ไม่ถูกใจที่หลงใจที่ลืมใจที่ไปยึดไปเพลย์ยึดเอาความทุกข์ของตายมาเป็นความทุกข์ของใจ แทนที่จะเห็นความปวดความเมื่อยก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนี่แหละคือตัวสมุทยมากกว่ามันก็อย่าลืมนะไม่ว่าเราเจออะไรอย่ามัวแต่บนมัวแต่โวยวายไม่พอใจอย่าให้ความไม่พอใจคลองใจให้ตั้งสติให้ดีแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะรักษาใจไม่ให้ตุ้งได้อย่างไรเราใช้ที่พูดตอนนี้นะกราบพระ